การจะปฏิบัติทำตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ผู้ปฏิบัติจําเป็นจะต้องมีความกล้าหาญมีความกล้าหาญต่อความทุกข์ยากลําบากต่างๆมีความกล้าหาญต่อความเจ็บปวดตามร่างกาย และมีความกล้าหาญต่อความตายเพราะว่าถ้ามีความหวาดกลัวต่อสิ่งเหล่านี้การปฏิบัติธรรมจะจะเกิดผลขึ้นมาได้ยากแต่ถ้ามีความกล้าหาญที่จะต่อสู้ กับอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากลาบากความอดอยากขาดแคลนความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตายของร่างกายผู้ปฏิบัติก็จะได้เห็นผลอันประเสริฐที่จะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติ บรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานท่านจะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่า น, นิพพานอยู่ฟากตายผู้ที่จะไปนิพพานนี้ต้องผ่านความตายไปให้ได้ถ้าไม่ผ่านความตายถ้าไม่กล้าตายถ้ากลัวตายก็จะ ไปถึงพระในผ่านไม่ได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องพยายามฝึกความกล้าหาญให้เกิดขึ้นมาในใจปลุกความกล้าหาญขึ้นมาภายในใจวิธีก็คือให้เราพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆว่าความตายนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ตามก็ต้องตายเหมือนกันแต่ถ้าปฏิบัติแล้วกลัวความตายก็จะไม่ไปถึงหลักชัยได้แต่ถ้าอยากจะไปให้ถึงหลักชัยก็ต้องยอมตาย ถ้ายอมตายแล้วความกลัวตายมันจะหายไปต้องยอมเจ็บไม่เช่นนั้นความกลัวเจ็บมันก็จะไม่หายไปนี่คือเคล็ดลับของการปฏิบัติตามคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะแยกผู้ที่จะสอบผ่านกับผู้ที่จะสอบตก ถ้ายังกลัวเจ็บยังกลัวตายอยู่จะไปไม่รอดจะไปไม่ถึงฝั่งถ้าไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายยอมเจ็บยอมตายเพราะเห็นว่าความเจ็บความตายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นไปได้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 ยมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาลงพ้นการพัดพลาดจากกันไปไม่ได้นี่คือกาถาหรือธรรมะหรือปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามันจเจริญกันอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราเห็นสัจธรรมความจริงเหล่านี้แล้วเราจะไม่กลัวความเจ็บนะ เราจะไม่กลัวความตายเราจะไม่กลัวกับการที่เราจะต้องอยู่ตามลาพังนี่แหละคือวิธีที่จะปลูกความกล้าหาญให้เกิดขึ้นมาภายในใจไม่ให้หวาดหวัน่นหวาดกลัวกับภัยต่างๆที่จะมากระทบกับร่างกายพอถ้า หวาดกลัวแล้วก็จะไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติในสถานที่ที่จะเอื้อเฟื้อต่อการบรรลุธรรมได้นั่นเองจะปฏิบัติอยู่ในที่ปลอดภัยในที่สบายในที่สมบูรณ์ด้วยอาหารการกินสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคเป็นตัวเดี่ยวรั้ง จิตใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันเป็นกามมัฉนันทะความยินดีในความสุขทางตาหูจมูกลิ้ไกายก็จะทำให้ติดอยู่กับการกลับมาเสพกามกันอยู่เรื่อยๆ ผู้ปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องอยู่แบบอดอยากขาดแคลนอยู่แบบทุกข์ยากลำบากเพราะการอยู่แบบนี้จะสร้างพลังให้กับจิตใจไว้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาความอยากต่างๆที่จะมาคอยเดี่ยวร้างจิตใจ ไม่ให้ออกจากกองทุกหแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ศึกษาดูประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆของพระอาหารหันตสาวกต่างๆของพระพุทธเจ้าท่านต้องอยู่กันแบบทุกข์ยากลาบากอยู่กันแบบอดอยากขาดแคลนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าถ้าตัดสู้ในวังได้ก็คงไม่ต้อง ออกจากวังไปไม่ต้องสะละราชสมบัติไปอยู่ไม่ต้องไปอยู่แบบขอทานแต่พ่อองค์ก็รู้ว่าสภาพของการอยู่ในวังนี้มันไม่เอื้อต่อการบรรลุธรรมไม่เอื้อต่อการหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเพราะการอยู่แบบในวังหรืออยู่แบบ กาลาวาดผู้คลองเรือนอยู่แบบการมฉันทะนั่นเองอยู่เพื่อการมสุขพวกเราทุกคนยังอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะต่างๆยังอยากหาความสุขจากการกินอยู่แบบสุขแบบสบายแบบเหลือเฟืออยากจะมีอาหารเหลือเฟือ อยากจะมีเครื่องใช้ไม่สวยอะไรต่างๆเหลือเฟืออยากจะมีเครื่องบันเทิงต่างๆไว้ให้ได้เสพไว้ให้แก้เหงาให้แก้ความว้าเวให้แก้ความเบื่อหน่ายซึ่งวิธีการเหล่านี้มันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ทาวนมันแก้ได้ชั่ว ระยะสั้นๆเวลาเกิดความเบื่อหน่ายก็หาอะไรมาดูหาอะไรมาฟังหาอะไรมาดื่มหาอะไรมารับประทานความเบื่อหน่ายความซึมเศร้าความว้าเหว่ก็อาจจะหายไปชัว่วคราวแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ ừ. มันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างท้าวร แล้วกลายเป็นการสร้างปัญหาขึ้นมากพจะติดกับวิธีที่แก้ปัญหาแบบนี้จะต้องคอยแก้ปัญหาด้วยการเสพกามอยู่เรื่อยๆด้วยการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑต่างๆหาความสุขความสบายจากการกินการอยู่จิตใจก็เลยติดกับของ ของการเวียนว่ายตายเกิดแทนที่จะหลุดกลับต้องมาติดเพราะขบวนการของการแก้ของการที่จะให้หลุดนั้นกลับเป็นการผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่กับกองทุกข์กแห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดอยากบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพาน ที่เต็มไปด้วยบัลมมาสุขก็ต้องดูต้องศึกษาชีวประวัติวิธีการดําเนินการปฏิบัติของพระพระพุทธเจ้าหรือของพอระอาลานตสาวกทั้งหลายทําไมเราจึงมีหนังสือเรื่องประวัติต่างๆประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของหลวงปู่มัน่นหรือ ปฏิปทาการปฏิบัติของพระพระอาริยบุคคลทั้งหลายก็เพราะว่าจะได้ใช้วิธีการปฏิบัติของท่านเหล่านี้มาเป็นแบบฉบับมาเป็นตัวอย่างเพราะพวกเราไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยรู้วิธี การปฏิบัติของพระอริยบุคคลว่าปฏิบัติกันอย่างไรถึงได้เป็นพระอริยบุคคลกันพวกเรานี้จะรู้แต่วิธีปฏิบัติของปุถุชนและวิธีปฏิบัติของปุถุชนก็คือวิธีให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง วิธีของปุถุชนก็คือให้หาความสุขจากการมันทะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญถ้าอยากจะไปนิพพานแล้วยังอยากจะมีความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาอยู่ก็จะไปไม่ได้มันต้อง เลือกเอาทางใดทางหนึ่งถ้าจะเอาลาบยศสรรเสริญเอาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผทธภะก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าอยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดอยากจะไปสู่พระนิพพานก็จำเป็นที่จะต้องเลิกหาความสุขจากลาบยศสารเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะแล้วไปหาความสุขจากความสงบแทนการจะได้ความสุขจากความสงบนี้ก็จำเป็นที่จะต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่ในที่ที่สงบสงดัดที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆห่างไกลจากบุคคลต่างๆ ต้องอยู่คนเดียวอยู่ในป่าในเขาที่อาจจะมีภัยอันตรายต่างๆจากสิงสารสัตว์ต่างๆหรือภัยจากพูดผีปีศาจที่อาจจะมาหลอกล่อจิตใจของผู้ปฏิบัติได้เคยมีศรัทธาญาติโยมท่านหนึ่ง อยากจะมาขอลองปฏิบัติอยู่บนเขา mm. ก็ให้ขึ้นมาอยู่แต่พออยู่ได้ถึงสองทุ่มก็มาขอลากลับนะบอกว่าอยู่ไม่ไหวไม่รู้ว่ามันมีอะไรมาหลอกมาหลอนใจตลอดเวลาจนไม่มีสติสตังที่จะนั่งสมาธิได้อันนี้นก็เป็น การหลอกล้อนของจิตใจนั่นเองเพราะผู้อื่นที่เขาอยู่นี่เขาก็อยู่กันได้ไม่เห็นเขามีปัญหาเลยก็เพราะว่าเขาไม่กลัวตายเงี้ยเาไม่กลัวเรื่องพูดผีปีศาจอะไรต่างๆถ้าเป็นคนที่กลัวเรื่องเหล่านี้จิตใจมันจะปุงแต่งขึ้นมาหลอกจิตใจเองกลัวอะไรมันก็จะคิดถึงเรื่องที่กลัว กลัวผีมันก็จะคิดแต่เรื่องผีนะกลัวงูมันก็จะคิดแต่เรื่องงูกลัวอะไรมันก็จะคิดแต่เรื่องเหล่านั้นทั้งๆ ท, ที่ยังไม่มีสิ่งสิ่งเหล่านั้นมาปรากฏแต่ใจมันคิดหลอกหลอนไปก่อนแล้วยิ่งถ้าไม่ถ้าปล่อยให้มันคิดบ่อยๆมันก็ยิ่งเทวทวีคูณรุนแรงขึ้นจนในที่สุดมันก็ต้องหนีอยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามีปัญญามีการพิจารณาล่วงหน้าไว้ก่อนว่าชีวิตของเรานี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายกันทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในป่าในเขาอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในที่ไหนเห็นหมข่าวข่าวอยู่ในสถานที่ช้อปปิ้งก็ยังตายกัน อย่าไปคิดว่าที่ไหนมันจะปลอดภัยจากความตายอยู่ในวัดเนะี่ยเดินเดินทางเข้าออกวัดก็ยังถูกยิงตายได้อยู่ที่ไหนเมื่อถึงคราวมันจะตายมันตายด้วยกันทั้งนั้นนะผู้ปฏิบัติต้องมันพิจารณาเรื่องของความตายเรื่องของความเจ็บของทางร่างกายมันจะ ต, ต้องเป็นเรื่องที่ เด็กเลี่ยงไม่ไดร้ร่วงพ้นไปไม่ได้ไม่ช้าก็าเร็วก็ต้องเจอมันถ้ามันคิดอย่างนี้บ่อยๆจิตใจจะเกิดความกล้าหาญขึ้นม า, ากล้าหาญที่จะไปปีกวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขาหรือไปอยู่ตามป่าช้าไดเา้เพราะต้องการที่จะ พิสูจน์จิตใจว่ายังกลัวตายอยู่หรือเปล่ายังกลัวผีอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ไปพิสูจน์มันก็ไม่รู้เอนั่งบอกตัวเองว่าไม่กลัวไม่กลัวก็ตอนที่มันไม่มีอะไรมาหลอกมันก็ไม่กลัวเลยนี่ตอนที่ไปต้องไปอยู่ในที่ที่อาจจะมีอะไรมาหลอกมาหลอนจิตใจแล้วดูซิว่าเออ จิตใจจะมีความกล้าหาญที่จะยอมรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่คือต้องยอมตายต้องพิจารณาว่าเราวันใดวันหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่และไม่รู้ว่าที่ไหนที่ความตายมันจะมาหาเราเราต้องเตรียมพร้อมเราต้องยอมรับ ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ถ้าเราไม่อยากที่จะทุกข์ทรมานกับความหวาดกลัวเราต้องยอมตายให้ได้ถ้ายอมตายได้ใจจะไม่หวาดกลัวใจจะกล้ า, าหาญใจจะไปอยู่ที่ไหนได้อย่างสบาย จะทุกข์ยากลำบากอดอยากขาดแคลนอย่างไรถ้าลองยอมตายแล้วทีนี้มันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญเลยการบาเพ็ญนี้ต้องไปอยู่ที่มันห่างไกลจากความเจริญทางด้านอาหารการกินผู้บาเพ็ญจะต้องทุกข์ยากลำบากกับเรื่องอาหารการกิน เพราะอยู่ในป่าในเขาจะขนสะเสบียงอะไรไปมากก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็เป็นพราที่ไปอยู่ตามปา่าตามเขาเพราะไม่มีคารวะคนไหนกล้าจะไปอยู่คนเดียวได้ไปก็ต้องไปแบบเป็นนักล่าสัตว์เนี่ยไปยกขบวนไปขนอาวุธขนอะไรไปต่างๆ แต่การจะไปเพื่อที่จะไปล่ากิเลสเนี่ยต้องไปแบบมือเปล่าไม่มีอาวุธภายนอกติดไปมีแต่อาวุธภายในคือสติสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นอาวุธที่จะใช้ในการล่ากิเลสตัณหาต่างๆให้มันหมดสิ้นไปจากจิตจากใจ พกิเลสตัณหานี่แหละเป็นตัวที่ขวางกั้นพา น, านิพานผู้ที่จะไปถึงพานิพานได้จําเป็นจะต้องกาจัดอุปสรรคที่ขวางกั้นพระนิพา น, านก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากเสพรูปเสียสงกลิ่นรสความอยากมีความสุขมีด้วยการเป็นนั่นเป็นนี่และความอยาก มีความสุขจากการไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่นี่แหละเป็นข้าศึกศัตรูของผู้ปฏิบัติน้จะเจอข้าศึกศัตรูเหล่านี้ได้ก็ต้องไปอยู่ที่ที่มันวิเวกที่มันสงบที่ห่างไกลจากสิ่งต่างๆที่มาคอยรบกวนใจคอยทำให้ใจอ่อนแอ ถ้าอยู่กับลาบยศสรรเสริญอยู่กับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนี่จิตใจจะอ่อนแอจะสู้กิเลสตัณหาไม่ได้เพราะกิเลสตัณหานี้จะมาลุมเ้ามามายุมาอย่าให้ไปหาลาบยศสรรเสริญ ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะต่างๆนั่นเองจึงจำเป็นที่จะต้องอยู่ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้กิเลสตัณหามีกำลังอ่อนลงแล้วก็ทำให้จิตใจมีกำลังเพิ่มมากขึ้น เพราะถ้าได้ไปอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกจิตใจก็จะสามารถเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาขึ้นมาได้ง่ายและได้มากกว่าการที่จะอยู่ในท้ำกลารลาบวิยศสัรเสริญทำกลารความสุขของรูปเสียงกิริยพุทธะนั่นเอง ทำไมผู้ปฏิบัติทั้งหลายพระอริยบุคคลทั้งหลายจึงต้องไปอยู่ตามป่าตามเขากันทำไมท่านถึงบรรลุธรรมในป่าในเขากันน้อยคนที่จะบรรลุธรรมในอยู่ในบ้านในเมืองซึ่งอาจจะมีบ้างในบางกรณีแต่ละไม่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติแล้วการบรรลุ มรรคผลนิพพานของผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่อย่าต้องบรรลุในป่าในเขานั่นั่นศึกษาประวัติมาตั้งแต่ประวัติของพระพุทธเจ้ามาจนถึงประวัติของครูบาอาจารย์ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ท่านก็ไปอยู่ป่าอยู่เขาั่านทั้งนั้นเพราะท่า น, น, น, นต้องไปเจริญกรรมฐานท่า น, นต้องไปปฏิบัติทุดงขวันที่จะ เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้เกิดวิมุตติการหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ครูบาจารย์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงยุคปัจจุบันนี่ท่านปฏิบัติทุดดองขวาดกันท่านปฏิบัติกรรมฐานกันเพราะว่า ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่สนับสนุนในการเจริญสติสมาธิและปัญญานั่นเองสนับสนุนในการเจริญวิรยิยะความอุตสาหะภาคเพียรทําให้ไม่เกียจคร้านทําให้มีความกยันหมั่นเพียรทําให้มีความกล้ า, าหาญมีเป็นปัจจัยสําคัญของผู้ปฏิบัติ ที่พึงจะต้องมีต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความกล้าหาญมีความอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากต่างๆเพราะสถานที่ไปปฏิบัตินี้จะไม่ไม่เอื้อเฟือต่อการมีความสะดวกสบายทางร่างกายแทนน้าไฟก็ไม่มี อาหารการกินก็ไม่สมบูรณ์เออประวัติของหลวงปู่มั่นท่านบอกช่วงที่ท่านไปอยู่ในป่าเชียงใหม่ท่านต้องอาศัยบินตาบ่ากับชาวป่าชาวเขาท่านบอกว่าอาหารการกินก็แทบจะไม่มีอะไรอาจจะมีน้ำพริกมาห่อหนึ่งแล้วก็มีผักมาหน่อยมีข้าวแต่ท่านก็ไม่รู้สึกเดือดร้อน ท่านกับชอบเพราะว่าได้ที่ที่สงบสงัดวิเวกที่จะทําให้การเจริญสติเพื่อทาให้จิตสงบเป็นสมาธินี้มันง่ายมันไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจมาขัดขวางการเจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้วเมื่อเวลานั่งสมาธิจิตสงบ ความอดอยากขาดแคลนทางร่างกายก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะใจได้รับอาหารทางใจที่ยิ่งใหญ่กว่าอาหารทางร่างกายใจมีความสุขมีความอิ่มจากผลที่เกิดจากการปฏิบัติทำให้ความอดอยากขาดแคลนทางร่างกายนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยไปเป็นเรื่องที่ไม่เป็น ไม่มารบกวนใจผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านจะทุกข์ยากลาบากทางร่างกายแต่ท่านจะสุขท่านจะสบายทางจิตใจเพราะไม่มีกิเลสตัณหามาคอยยั่วยวนกวนใจมาสร้างความพุ่งสร้างสร้างความวิตกกังวลสร้างความหวาดกลัวอะไรต่างๆให้กับจิตใจ จ, จิตใจก็เลยจเจริญก้าวหน้าในทางธรรมไปอย่างต่อเนื่องไม่นานก็หลุดพ้นได้หลวงปู่มั่นตามประวัตินี่ท่านไปปีกวิเวกช่วงที่อายุหกสิบปีไปแล้วช่วงก่อนหน้านั้นท่านก็ปีกบ้างแต่ท่านปีกแบบสงเคะ์ผู้อื่นด้วยให้มีผู้ติดตามให้มีพระมีเนน ที่อยากจะไปฝึกภาวนากับท่านท่านก็อนุญาตให้ติดตามไปไปทุ่งดงก็ไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็กลับไปอยู่วัดก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปปีกวิเวกอย่างแท้จริงอยู่ตามลาพังไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาคอยสั่งคอยสอนผู้อื่นมีเวลาที่จะฝึกจิตของตนเองได้อย่าง เต็มที่เต็มรอยเนียตามประวัติท่านไปบรรลุธรรมในช่วงอายุหกสิบกว่าไปแล้วช่วงหกสิบถึงเจ็ดสิบที่ท่านไปอยู่ตามป่าตามเขาของเชียงใหม่ท่านจะอยู่อง์เดียวตลอดถ้ามีพา้ามีเนนมาขออยู่ด้วยถ้าใกล้จาพรรษาท่านก็อาจจะให้อยู่ด้วยแต่พอออกพรรษาท่านก็หนีละท่านก็แยกตัวไป ถ้าไม่ต้องอยากไม่ต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับใครในตอนนั้นจิตที่ต้องการอิสระภาพนี้จะต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมดจากจิตจากใจ <c oughs> ถ้าเกี่ยวข้องกับใครแล้วเดี๋ยวมันเกิดมีความผูกพันกันขึ้นมาเกิดความห่วงใยกันขึ้นมาเกิดความรู้สึกว่าเราไม่เมตตาเขาหรือเปล่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าขึ้นมา แต่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วมันไม่มีอะไรมาทำให้เราต้องมาคิดถึงเรื่องราวอย่างนั้นอยู่คนเดียวจิตใจจะได้ทุ่มเทให้กับการตัดความห่วงใยต่างๆตัดความยึดติดต่างๆให้มันหมดไปจากจิตจากใจนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะ พิจารณาคือความกล้าหาญถ้ายังหวาดกลัวอยู่มันพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลากจากกันอยู่เรื่อยๆสอนใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวความจริงมันจะซึมซับเข้าไปในใจแล้วมันจะเห็นความจริงว่าไม่มีใครหนีความแก่ไปได้ ไม่มีใครหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ <c oughs> ไม่มีใครหนีความตายไปได้ไม่มีใครหนีการพัดพากจากกันไปได้แล้วไปนหนีมันทำไมไปกลัวมันทำไมกลัวแล้วมันได้อะไร <c oughs> กลัวแล้วมันก็ได้แต่ความทุกข์ใจนั่นเองถ้าไม่กลัวแล้วมันความทุกข์ใจมันก็จะหายไปความสบายใจก็จะ เกิดขึ้นมาในใจจะไม่วิตกกังวลกับความแก่ความเจ็บความตายถึงแม้ว่ายัางไม่สามารถที่จะปล่อยวางมันได้แต่อย่างน้อยในเบื้องต้นก็จะบรรเทาความหวาดกลัวแบบไม่มีเหตุไม่มีผลได้ความหวาดกลัวแบบไม่มีเหตุไม่มีผลก็คือการไม่ยอมรับความจริงนั่นเองการไม่ยอมรับความจริงว่าทุกชีวิตทุกคน จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันถ้ามองด้วยเหตุผลแล้วต้องไปกลัวมันทําไมในเมื่อทุกคนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกลัวไม่กลัวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกลัวแล้วมันทุกข์ไม่กลัวแล้วมันไม่ทุกข์แล้วมันจะสามารถไปปฏิบัติตามสถานที่ต่างๆได้แต่ถ้ากลัวก็ไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ ก็จะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆจะไม่บรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานได้นี่คือถ้าเป็นอุปสรรคผู้ใดปฏิบัติน่ากลัวความตายหรือกลัวความเจ็บความเจ็บก็คือความทุกข์ยากลำบากต่างๆทางร่างกายนั่นเองที่อยู่ที่นอนก็ไม่สมบูรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติเวลาไปอยู่ในป่าในเขา ก็มีอย่างมากก็มีมุ้งกางไว้กันการยุงเพระมีโกรดอันหนึง่งกรดก็คือร่มแล้วก็มุงก็เป็นเหมือนกับเป็นฝาของบ้านมุ้งนี่ร่มก็เป็นเหมือนหลังคาบ้านนั่งก็นั่งนอนอยู่ในโกรดนั้นหรือถ้าไปอยู่บางที่ก็มีชาวบ้านเขาทําแค่ให้ ให้นอนแครไม้ไผ่ก็มีเท่านี้เรื่องของการอยู่ของนักปฏิบัติแต่ท่านไม่ท่านไม่สนใจท่านยินดีกับการอยู่แบบนั้นเพราะท่านต้องการสถานที่คือที่สงบไม่มีใครมารบกวนใจนั่นเองถ้าไปอยู่ที่สุขสบายก็ต้องมีคนมาคอยดูแลรับใช้ คอยมาคอยจัดนู่นจัดนี่ให้จัดเตียงจัดที่นอนให้จัดเครื่องอาหารการกินให้ก็ต้องไปยุ่งกับเขาต้องไปวุ่นวายกับเขาแล้วถ้าเกิดเขามีอุปสรรคเขาไม่ว่างหรือเขามาไม่ได้เราก็เดือดร้อนเพราะเราทําเองไม่ได้หรือทําได้แต่อาจจะไม่อยากจะทําำอยากจะให้คนอื่นเขาทำให้เรา มันก็จะทำให้เราต้องมาวุ่นวายกับเรื่องการกินการอยู่กันไปเห็ะนั้นผู้ปฏิบัตินี้จะต้องกินอยู่แบบง่ายๆอย่ายุ่งยากแล้วก็กินน้อยๆกินวันละมื้อก็พอพระพุทธเจ้าจึงสอนทุดงควัดให้กับภาพปฏิบัติให้ฉันมื้อเดียวเห็นไหม อาหารก็ให้ได้จากการไปบินธบาตไม่ต้องมานั่งคิดเมนูว่าวันนี้จะกินอะไรดีไปให้ชาวบ้านเขาจัดเมนูมาให้ไปบินธบาติเขาจะใส่อะไรมาก็ก็รับมาแล้วก็มาฉันในบาทจะได้ไม่ต้องใช้ใช้ช้อนใช้ชามใช้ถ้วยใช้อะไรต่างๆใส่อาหารจะได้ไม่ต้องมาคอย ล้างถ้วยล้างชามล้างช้อนอะไรต่างๆมีบาทใบเดียวนี่สามารถใช้ได้หลายอย่างใช้เป็นกระเป๋าเดินทางก็ได้เวลาเดินทุ่งดงก็เอาของสัมภาระที่มีติดตัวไปอัดถาบริการมีผ้าตายจีวรก็ผ้าที่ไม่ได้ใช้ก็เอาใส่ไปในบาด ท, ที่กองน้ำใบมีดกรเข็มก็ได้ก็ใส่ไปในบาด มุงก็ใส่ไว้ในบาตรแค่นี้ก็เดินทางได้นะกดก็สะพายบาอกระติดน้ำก็สะพายบาไปก็มีครบพอสมบูรณ์แล้วจะไปปีกวเวกจะไปเปลี่ยนที่ได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวมีคนมารบกวนก็ย้ายที่ได้เพราะเป็น้านี้ยังต้องพึ่งชาวบ้านอยู่ต้องไปบิณฑบาต ไปบินตาบาสถ้าอยู่นานๆชาวบ้านรู้จักเดี๋ยวจะมาเยี่ยมเยียนเดี๋ยวจะมาขอเลข่ขอหวยขอน้ำมนต์ขออะไรถ้าไม่มีให้ก็จะรู้สึกอึดอาจใจก็เลยต้องเปลี่ยนที่หาที่ใหม่อยู่ <c oughs> ต้องอยู่ง่ายๆไปไหนมาไหนไปให้มันง่ายให้มันสะดวกรวดเร็ว อย่ามีพาระมีข้าวของพลุงพลังจะไปไหนทีนี้เหมือนเป็นยกกองทัพไปกันต้องไปแบบโดดเดี่ยวเดียวได้อยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวได้มันคล่องตัวมันเป็นอิสระมันไม่มีอะไรมาคอยเดี่ยวรั้งจิตใจไม่มีอะไรมาคอยรบกวนสร้างความรบกวนให้กับจิตใจถ้าที่ไหนมี มีเรื่องมาลบกวนใจก็เปกวิเวกไปย้ายที่ไป <c oughs> นี่คือวิธีการปฏิบัติของพระทุกยุคทุกสมัยท่านอยู่ตามป่าตามเขาท่านก็ต้องเจอความทุกข์ยากลาบากในเรื่องปัจจัยสี่อาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มท่านก็อยู่กันแบบมากน้อยสันโดษ ทุดงขวาดให้ฉันมือเดียวฉันในบาทให้บินทบาทเป็นวัดให้อยู่ตามโคนไม้ให้อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามป่าช้าเพราะที่เหล่านี้จะไม่มีคนไปอยู่กันไม่มีคนจะไปคอยรบกวนใจแล้วก็ท่านก็ให้ใช้ความเพียร ถ้าในสัจชิกไดก้ให้ในสัจชิกให้ถือสามวิริยาบทเป็นครั้งเป็นคราวไปถ้าอยากจะทำความเพียรอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้นอนมากเกินไปก็ให้ใช้สามวิริยาบทคือเอาแค่ถ้ายืนท่านั่งและก็ท่าเดินจะไม่มีท่านอนถ้าจะหลับก็ให้มันหลับในท่าท่านั่งนั่นแต่ท่านอนแล้วมันจะนอนมากเกินไป จะทําให้เสียเวลาของการปฏิบัตินี่เป็นวิธีการของนักปฏิบัติซึ่งถ้าเปรียบกับการกินการอยู่ของปุถุชนแล้วมันเหมือนฟ้ากับดินนะปุถุชนนี่เหมือนเป็นเทวดาอยู่แบบเทวดามีความสุขสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่มีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติทำนี้ จะอยู่เหมือนกับขอทานอยู่เหมือนกับคนยากจนอยู่แบบอดอยากขาดแคลนไม่มีเครื่องบันเทงต่างๆมาคอยให้ความสุขเมื่อไม่มีเครื่องบันเทงมาให้ความสุขก็เลยต้องบังคับตัวเองให้สร้างเครื่องบันเทงขึ้นมาในตัวเอง hmm. เครื่องบันเทงที่จะมาให้ความสุขกับตัวเองก็คือความสงบของใจนี่เองที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ สติสมาธินและปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าแล ะ, และพระอาริยะทั้งหลายท่านเห็นความจำเป็นว่าจะต้องมีสถานที่มีเหตุการณ์แบบนี้มาบังคับใจใจถึงจะเข้าหาความสงบหาความสุขจากการปฏิบัติถ้ายังมีสามารถถ้ายังสามารถหาความสุขจากสิ่งอื่นได้อยู่ มันก็จะไม่ยอมมาหาความสงบกันถ้ายังมีทีวีดูหิวก็ยังอยากจะดูทีวีอยากดูละครถ้ามีเครื่องดื่มมีขนมมีอะไรให้ดื่มให้รับประทานก็ยังอยากจะดื่มอยากรับประทานก็จะไม่คิดขวนขวายในการที่จะมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบ ี่เป็นความสุขที่จะทำให้ผู้ได้รับความสุขนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแต่ถ้าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็จะทำให้ติดอยู่กับการหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่เรื่อยๆเมื่อติดแล้วก็จะต้องกลับมาหามันอยู่เรื่อยๆร่างกายตายไปก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่ มาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆต่อไปมันก็จะทําให้ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายการอยู่อย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นนะพระพุทธเจ้า บ, บอกว่าปริมาณของการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเหล่านี้มันมีมากมายจนไม่สามารถคิดเป็นตัวเลขได้แต่เปรียบเทียบได้ว่ามันมากขนาดไหน ด him, Japan, repair, ้วยการเอาน้ำตาที่เราต้องร้องกันร้องไห้กันทุกครั้งที่เรามาเกิดเนี่ยเอาน้ำตาที่เราได้ร้องไห้ในชาตินี้มารวมกันแล้วเอาของชาติอื่นมารวมกันชาติที่เราเคยมาเกิดมาร้องไห้มารวมกันแล้วท่านบอกว่าน้ำตาที่เราหลังนี้มันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเป็นดูก็แล้วกันว่าจะต้องมาเกิดมาตายกี่รอบด้วยกัน มาหลั่งน้ำตากี่รอบด้วยกันถึงจะมีน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นหละคือปริมาณของความทุกข์ที่พวกเราได้มีกันน่าจะมีกันต่อไปถ้าตราบใดเรายังไม่หยุดการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้ จำเป็นจะต้องมีต้องใช้ตาหูจมูกนิ้นกก่นั่นเองถ้าไม่มีตาก็เสพสัมผัสกับรูปไม่ได้ไม่มีหูก็เสพสัมผัสกับเสียงไม่ได้จึงต้องมีเวลาร่างกายอันนี้ตายไปไม่มีตาหูจมูกนิ้นกก่ให้เสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องไปรอไปหาร่างกายอันใหม่ต้องไปเกิดใหม่ ไปเกิดกับร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปแก่ไปเจ็บไปตายกับร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทุกกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดจากการอยู่ในโลกนี้มีเหตุการณ์ที่จะทำให้เศร้าโศกเสียใจอยู่อยู่เรื่อยๆน้องห่มน้องห้กันอยู่เรื่อยๆนี่คกอปริมาณของความทุกข์ที่พวกเราได้ผ่านมาแล้วจากการเวียนว่ายตายเกิด ทำไมเราไม่ยอมมาทุกข์กับการต่อสู้กับการเวียนว่ายตายเกิดนะซึ่งเป็นการความทุกข์ชั่วระยะที่ปฏิบัติเท่า น, นั้นเองนะซึ่งสำหรับบางท่านอาจจะเป็นแค่เจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีเท่านั้นก็สามารถที่จะยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไดนะนะ้ผู้ที่ใช้เหตุใช้ผลก็พร้อมยินดีที่จะ ไ ป, ปเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากที่จะต้องเกิดขึ้นจากการไปปฏิบัติธรรมนั้นเองถ้าใช้เหตุใช้ผลแล้วยอมเจ็บยอมตายยอมอดอยากขาดแคลนในครั้งนี้ดีกว่าเพราะถ้าสำเร็จแล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปอย่างไม่รู้จักจบสิ้นนี่คือ เรื่องของการพิจารณาธรรมที่จะปลุกระดมปลุกความกล้าหารให้เกิดขึ้นภายในใจเราต้องใช้เหตุใช้ผลว่าทำอย่างนี้แล้วเราจะได้อะไรทำอย่างนั้นแล้วเราจะได้อะไรแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าอย่างไหนดีกว่ากันมันทุกทั้งสองทางหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็มีการมีความทุกข์กันมีการน้องไห้ ไปถามญาติพี่น้องที่เสียเสียญาติญาติญาติเสียชีวิตไปเนี่ยดูเขามีความสุขไหมคนที่เสียลูกไปนี่เป็นยังไงร้องห่มร้องไห้คนที่เสียพ่อเสียแม่เสียเพื่อนเสียสามีเสียภรรยาไปร้องห่มร้องไห้มันสุขรละทุกข์กันนั่นนหละคือผลจากการที่เรามาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระต่างๆ เราก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ที่เราไม่คาดฝันกันที่เราไม่คิดถึงกันนะแต่ถ้าเรามาพิจารณาด้วยทำด้วยปัญญาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนเกิดขึ้นช้าหรือเร็วมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ใช่อาจจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นหรือในรูปแบบไหนท่านั้นเองแต่มันจะต้องเจอการพัดภาคจากกัน ต้องเจอความตายเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันทุกคนเนี่นเรายอมมาเราสู้มายอมกับความความเสี่ยงต่อการความเป็นความตายจากการปฏิบัติยอมมาอดอยากขาดแคลนมาทุกข์ยากลำบากจากการที่เราจะต้องไปปีกวิเวกอยู่ตามลำพังของเราน่แต่ผลที่เราจะได้ก็คือ เราจะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาทุกข์กับความพัดผ่ากจากกันอีกต่อไปวิธีไหนจะดีกว่ากันมันก็ต้องทุกข์เหมือนกันถ้ามาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวมันก็ต้องทุกข์มันก็ต้อง ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุถึงพระนิพพานมันก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลาบากความอดอยากขาดแคลนทางร่างกายต้องเผชิญกับภัยที่อาจจะท้าทายต่อความเป็นความตายต้องไ ป, ปเผชิญกับพูดผีปีศาจที่อาจจะมาหลอกล้อนวงจิตใจแต่ผลที่ได้รับถ้าเราสามารถทาสาเร็จแล้วเป็นอย่างไร เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่ต้องมาวิตกมากังวลช่วงนี้มีเรื่องหลายเรื่องให้วิตกกันเมื่อก่อนไม่เคยเจอไม่เคยมีเหตุการณ์มากระตุ้นความกลัวกันเดีย๋ยวนี้กลัวกันไปหมดไปไหนเห็นใสหน้ากากกันเต็ไมไปหมดเห็นไหมเรือจะมาขอจอดก็ไม่ให้เข้าขท่าเห็นไมกลัวกันไปหมด แตนนี้อาจจะไม่กล้าไปห้างกันแล้วกลัวเดี๋ยวไปเจอลูกหลงเขาอีกอนี่นี่คือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้าเรายังกลับมาเกิดกันกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆเหล่านี้จะเจอมากจะเจอน้อยจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่มันจะต้องเจอด้วยกันเด็กเลี้ยงกันไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตาย สู้เราไปเผชิญกับความเจ็บความตายเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ดีกว่าเลยไปอยู่ในป่าในเขาอาจจะมีภัยมีสิงสาราสัตว์มีงูมีอะไรมีสิ่งที่น่าหวาดกลัวมีผูดผีปีาศาจมีความอดอยากขาดแคลน แต่มันจะทำให้เราได้หลุดพ้นจะไม่ต้องกลับมากิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปคิดดูซิว่าลงทุนแบบไหนดีกว่ากันลงทุนแบบการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายหรือลงทุนกับความยอมอยู่กับความอดอยากขาดแคลนอยู่กับภัยต่างๆ เพื่อให้ได้ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคนฉลาดก็เลือกทางของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวุกันคนงองก็จะคิดว่าโอ้ยไม่เอาไม่อยากไม่อยากไปทุกข์ยากลำบากไม่อยากจะต้องไปเจอกับภัยต่างๆบางคนก็อ้างว่านี่เป็นการปฏิบัติแบบสุดตรงไปเสียอีกเนี่ย วิธีมัชิมาทางสายกลางก็คือต้องพอดีพอดีพอดีกับกิเลส ข, ของตนนะคือความมัชิมาของผู้ที่ไปว่าการปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าแบบพระสาวกนี้เป็นการปฏิบัติแบบสุดตรงนะ น, นี่คือเรื่องที่เราจะต้องพิจารณากันถ้าเราปรารถนาพระนิพพาน วาทะนาการหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องไม่กลัวความตายเราต้องยอมตายเราต้องกล้ า, าหาญเพราะพระนิพพานอยู่ภากตายมีความตายฟักวะขวางกั้นระหว่างเรากับพระนิพพานถ้าเรากลัวตายเราก็จะผ่านความตายไปไม่ได้ถ้าเรายอมตายแล้วเราจะผ่านความตายไปได้ แล้วเราก็ยังไม่ตายเห็นไมครูบาอาจารย์พระอาหารหันตสาวกไม่เห็นท่านตายกันท่านยอมตายแล้วแต่ท่านกลับไม่ตายท่านได้นิพพานก่อนที่ท่านจะตายพวกเราก็เหมือนกันถ้าเรากลัวตายเราก็จะไม่มีวันที่จะผ่านความตายที่ขวางกั้นเรากับพระ น, นิพพานได้ถ้าเรายอมตายแล้วเราก็จะผ่าน ความตายไปได้แล้วเราก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้นี่เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณากันถ้าเราปฏิบัติแล้วเกิดความกล้าก้ากลัวกลัวขึ้นมาต้องใช้ธรรมเหล่านี้มาให้เรามีกําลังใจที่จะกล้าตัดสินใจยอมทุกข์ยอมเจ็บนั่งนานๆให้มันเจ็บไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอามาพกรรมภาจจากการนั่งนานๆ เดินานานๆให้มันปวดให้มันเมื่อยการปฏิบัติมันต้องเอาแบบเข้มข้นมันถึงจะฆ่ากิเลสได้ฆ่ากิเลสตัวแรกก็คือความเกียดข้านฆ่ากิเลสตัวที่สองก็คือความกลัวความเจ็บความปวดฆ่ากิเลสตัวที่สามก็คือความกลัวความตายเนียอันนี้ต้องใช้ความก้าหาญเข้ามาปฏิบัติ โดยอาศัยดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายของครูบาอาจารย์ที่เราได้ยินได้ฟังได้รู้จักลองไปศึกษาอ่านประวัติของแต่ละองค์ท่านเนอะท่าไม่ได้อยู่ตามบ้านตามเมืองกันหรอกท่านไม่ได้อยู่แบบฟุ่งอยู่แบบรูหรามอยู่แบบฟุ่งเฟือย อยู่ท่ามกลางความสุขของราบยศจรลเสินของรูปเสียงกลิ่นรสท่านส่วนท่านไปปีกวิเวกันทั้งนั้นไปอยู่ตามป่าตามเขาต่างๆแล้วก็ไปบรรลุธรรมตามป่าตามเขาเหล่านั้นแล้วก็กลับมาเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนพวกเราท่านไม่เห็นท่านก็ไม่ได้ตายจากการที่ท่านยอมตายการยอมตายนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะตาย การยอมตายนี้จะมันจะทําให้กิเลสคือความกลัวตายมันตายต่อไปความกลัวตายมันจะไม่มีในใจของเราเราจะสามารถไปที่ไหนได้ทุกแห่งทุกหนไม่มีความหวาดกลัวกับความความตายแต่อย่างใดนี่คือเรื่องของการปฏิบัติต้องกล้าหานต้องอดทน ต้องต่อสู้ต้องกล้าเผชิญกับความทุกข์ยา ก, กลำบากเพราะนั่งสมาธิจะทำให้จิตรวมผ่านผ่านก็ต้องผ่านความเจ็บปวดของร่างกายถ้ามันไม่ผ่านมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นนั่งมาถึงพอเจ็บก็ลุกขึ้นมาหยุดเหมือนขับรถมาถึงถึงด่านก็ถอยไม่มีเงินจ่ายค่าด่านก็ไปไม่ถึงไหน ขับมาได้แค่ถึงประตูด่านพอจะจ่ายเงินไม่มีเงินจ่ายหรือไม่เสียดายเงินอยากจะเอาเงินไปใช้อย่างอื่นแทนก็นั่งสมาธิมากี่ปีกี่ครั้งก็มันก็จะมาติดที่ความเจ็บปวดเหล่านั้นแต่ถ้าเรายอมยอมเจ็บยอมอยู่กับความเจ็บปล่อยให้มันเจ็บไปเรามีหน้าที่พุโทโธเราก็พุโทโธไป ไม่ต้องไปสนใจกับความเจ็บปล่อยมันเจ็บไปความเจ็บมันใช่เราเราไม่ใช่ความเจ็บเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้บริกรรมพู้โทเราไม่ได้เจ็บไปกับความเจ็บของร่างกายปล่อยให้ร่างกายมันเจ็บไปร่างกายมันก็ไม่ได้บ่นไม่ได้บอกว่าอยากจะลุกผู้ที่บ่นยักที่อยากจะลุกคือใครก็คือใจผู้ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายเห็นเราอย่าปล่อยให้ใจนึกคิดอยากจะลุก บังคับให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันความอยากจะลุกมันก็จะหยุดคิดเองเพอหยุดคิดแล้วความทรมานใจที่เกิดจากการเจอความเจ็บปวดของร่างกายมันก็หายไปจิตก็สงบขึ้นมาสามารถอยู่นั่งต่อไปได้โดยไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดถึงแม้จะเจ็บที่ร่างกายแต่ที่ใจไม่มีความเจ็บปวด ไม่มีความทุกข์ทรมานใจเนี่ยต้องต้องใช้วิธีนี้ถ้าใช้ยังกลัวความเจ็บอยู่นี้ไม่มีวันที่จะไปผ่านมันได้ต้องอย่าไปกลัวความเจ็บปล่อยให้มันเจ็บไปเราห้ามความเจ็บไม่ได้แต่เราห้ามจิตของเราไม่ให้ไปอยากให้มันลุกได้ด้วยการบังคับให้มันบริกรรมพุทโธพุทโธไป พูดโทรไปสักพักเดี๋ยวมันลืมความเจ็บไปเองลืมความอยากที่จะลุกขึ้นมาเองแล้วใจมันก็จะสงบแล้วพอสงบแล้วมันก็เป็นอุเบกขาวางเฉยปล่อยวางเฉยถึงแม้ความเจ็บจะไม่หายมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็นั่งดูความเจ็บได้อย่างสบายเหมือนกับดูหนังดูละครอันนี้ ต้องอยากกลัวความเจ็บนะพยายามฝึกให้ต่อสู้กับความเจ็บเบื้องต้นก็อาจใช้ความเจ็บแบบเยแบบอื่นก่อนความเจ็บจากการเดินนานๆเดินนานๆมันก็เจ็ บ, ม, จบมันก็เมื่อยหรือความเจ็บที่เกิดจากการรับประทานอาหารน้อยๆความหิวก็เป็นความเจ็บอีกแบบหนึ่งมันก็จะเสริมสร้างความอดทนอดก้นของจิตใจ แล้าพอเวลามานั่งมาเจอกับความเจ็บทางร่างกายมันก็จะได้มีกำลังที่จะทนกับมันที่จะไม่ไปหนีมันกล้าเผชิญกับมันแต่ไม่ได้ไปอยากให้มันหายไม่อยากไปเอาชนะมันมันจะอยู่ไม่อยู่มันจะหายไม่หายนี่ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็คือเราต้องการบังคับใจเราให้อยู่กับมันให้ได้ อย่าให้มันหนีอย่าให้มันอยากหนีวิธีไม่อยากให้มันหนีก็ต้องเนี่ยต้องใช้พุโทโธให้มากช่วงนั้นพุโทโธพุโทโธอย่าหยุดอย่าไปทิดถึงความเจ็บยอมขาดใจตายไปกับพุโทโธเลยแล้วเดี๋ยวใจมันก็จะปล่อยมันก็จะไม่ไปอยากให้ความเจ็บมันหายไปไม่มีความอยากที่จะลุกจะหนีจากความเจ็บนั้นใจก็จะอยู่กับความเจ็บได้ แล้วต่อไปจะรู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บถึงแม้ว่าวิธีนี้ยังเป็นวิธีที่ไม่ถาวอเป็นวิธีของสติคือการใช้คำบริกรรมแต่ขั้นต่อไปเราก็จะมีกำลังที่จะมาฝึกขั้นปัญญาเพื่อที่จะได้มาพิจารณาว่าความเจ็บนี้มันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจทุกขังอนัตตาที่มันจะมาเมื่อไหร่ก็ห้ามมันไม่ได้ มาแล้วจะให้มันหายไปก็ให้มันหายไปไม่ได้เรามีทางเดียวเท่านั้นก็คือเราต้องรับรู้อยู่กับมันไปเวลามันมาอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากหนีจากมันนี้มันขยับเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่พอขยับเปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวนั่งท่าใหม่เดี๋ยวไม่นานมันก็ามาปวดใหม่อีกอยู่ดีนั้นฮัดสอนใจให้ปล่อยวางให้ได้ หัดอยู่กับมันให้ได้อย่าไปกลัวมันยินดีต้อนรับมันให้มันเจ็บให้มันปวดไปแล้วเดี๋ยวพอใจเราไม่ไปต่อต้านแล้วใจเราก็จะสงบใจเราก็จะไม่เดือดร้อนกับการปรากฏขึ้นมาของความเจ็บของทางร่างกายอันนี้จะเป็นการปล่อยวางแบบสมบูรณ์แบบท้าวรนเพราะปล่อยวางด้วยปัญญา พอเห็นว่าความเจ็บนี้ไม่เที่ยงเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เป็นอนัตตามันจะมาก็ต้องปล่อยมันมามันไม่มาก็ปล่อยมันไม่มาอย่าไปไปบังคับอย่าไปทาอะไรมันไม่ต้องไปหนีมันหนีมันมันก็ตามเรามาอยู่ดีอยู่กับมันให้มันหนีเราดีกว่าถ้าเราไม่หนีมันเดี๋ยวมันก็หนีเราเดี๋ยวมันก็หายไปถึงเวลามันก็หายไป แล้วต่อไปเรื่องของความเจ็บปวดทางร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแล้วก็ไปแก้เรื่องความตายต่อไปความตายก็ต้องตายเ้นก็ลองไปหาที่เสียงภัยต่อความตายดูแล้วดูซิว่าเราปล่อยให้น่างกายมันตายได้หรือเปล่าเหมือนกับเราปล่อยให้ความเจ็บมันเจ็บไปได้หรือเปล่ามันก็ใช้แบบวิธีเดียวกันถ้าเบื้องต้นถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้พุโทโธพุโทโธไป เวลาเกิดคิดว่ามีภัยอะไรจะมาทําลายชีวิตก็พุโทโธพุโทโธไปพอใจไม่ไปคิดถึงเรื่องที่จะมาทําลายชีวิตใจก็จะสงบแล้วความกลัวตายก็จะหายไปแล้วถ้าครั้งต่อไปก็ลองใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายมันเป็นมันไม่ใช่ตัวเราไม่ของเรามันไม่เที่ยงเหมือนกับเวทนาความเจ็บมันไม่เที่ยงเหมือนกันเอ เวลามันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันอยู่กับมันไปมันจะตายก็ต้องมันอยู่กับมันไปมันจะไม่ตายก็อยู่กับมันไปเรามมีหน้าที่ปล่อยวางร่างกายก็ปล่อยมันไปมันไม่ใช่ตัวเราอยากไปอยากให้มันไม่ตายแล้วใจของเราจะไม่ทุกขกับความตายนี่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติ การที่จะทำให้เราบรรลุทำขั้นต่างๆได้มันต้องผ่านความเจ็บผ่านความตายไปพอผ่านได้แล้วทีนี้มันก็จะสามารถไปพิจารณาทำระดับอื่นต่อไปได้แล้วเดี๋ยวมันก็พาให้เราไปสู่การหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์ต่อไปก็จากการเริ่มต้นด้วยความไม่กลัวตายนี่แหละไม่กลัวเจ็บ พยายามสอนใจพิจารณาความเจ็บความตายอยู่เรื่อยว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายของทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวก็เจ็บเวลาไม่สบายไปหาหมอก็ต้องถูกหมอฉีดยาเนไะเดี๋ยวก็ถูกหมอผ่าตัดถึงแม้ว่าเวลาผ่าตัดจะไม่รู้สึกแต่เวลาออกจากห้องผ่าตัดมาแผลมันยังไม่หายมันก็เจ็บอยู่เลนะมันต้องเจอความเจ็บด้วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็ว เน้อย่าไปกลัวมันหัดสอนใจให้หัดอยู่กับมันหัดให้มันรับกับความเจ็บให้มันรับกับความตายแล้วมันจะได้ไม่หวาดกลัวแล้วมันจะได้มีความกล้าหาญที่จะกล้าไปบปําเพ็ญในสถานที่ทุกข์ยากลําบากในสถานที่ที่มีภัยต่างๆแล้วก็จะสามารถทำให้การปฏิบัติคืบหน้าได้บรรลุมรผลต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ กะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปปะปะติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิิจาตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันาราโสยธามณีโชติอราโสยธาสพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารโควินัสโตมาเตภวตวันตรายสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนศีลิสานิจังวุธาปจายิโน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 เพราะไม่สะดกวกจันั้นต้องมีงานอย่างอื่นต้องทำต่อถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะทั้ง Facebook นะคะสี่รอยหกสิบสี่ทั้ง y o u t u สามร1อยห้าสิบหนึ่งทั้งวิทยุออนไลน์สิบหรับฟังข้างบนเขาแปดสิบรวมทั้งสิ้นเก้าร้อยสิบเอ็ดท่านค่ ะ, ะใครมีคำถาม นะมัสกาครครับคือกับผมอะ่ะพอจิตส่งออกนอกแล้วแล้วมันชอบไปเสพกับดวงจิตที่ออกข้างนอกด้วยครับก็อย่าไปก็ดึงมันกลับไปใช้พุโทโธพุทโธดึงกลับมาต้องมีสติคอยควบคุมจิตอย่าให้มันไปไหนให้มันอยู่ในปัจจุบันให้มันนิ่งให้มันสงบแม่้มันคิดปรุงแต่ง แลเหตุไ น, นผมจะทำให้สติผมมันคงได้ครับก็ต้องพุทธพุธโไปเรื่อยๆพุทธตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นจนหลับเนะี่ช่วงไหนที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วมันคิดก็พุทธโธพุทธโอไปช่วงที่ไหนต้องทำงานใช้ความคิดก็อยู่กับงานไปก่อนแต่ถ้าให้ดีถ้าไม่อยากให้มันคิดทั้งวันทั้งคืนก็ต้องไปบวชนะแล้ว <c oughs> จะได้ควบคุมสติสร้างสติขึ้นมาได้ตลอดเวลา คนก็ถึงใบบวชกันคนที่ก็อยากจะควบคุมจิตใจเขาเลยต้องไปบวชกันหรือไปเปรกไปเปกเวไปอยู่คนเดียวไม่ไปทำงานทำการเอาเอาเวลามาสร้างสติเพียงอย่างเดียวก่อนครับส่งกลับมา please hand back the microphone to the lady here คำถามจากทางยู u ูบนะคะจากคุณแซมค่ะ กระผมจำเป็นต้องผิดศีลข้อห้าเพราะรุ่นพี่บังคับไปเที่ยวบังคับดื่มเสมอผมปฏิเสธไม่ได้เพราะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงถ้าปฏิเสธจะมีผลต่องานกระผมจะทำอย่างไรดีครับ ก็เราก็ออกจากงานสิงานอื่นมียเยอะแยะที่ไม่ต้องเดื่มสุราไม่ต้องทำบาปเราเลือก ง, งานอย่างนี้เองเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เปลี่ยนงานได้ไปบวชสิการการบวชก็เป็นงานอย่างหนึง่งแล้วเราจะได้รักษาศีลได้สะอาดได้บริสุทธิ์อันนี้เราต้องเลือกว่าเราจะเอาอะไรถ้าเราจะเอางานเราก็ต้องเสียศีลถ้าเราไม่อยากจะเสียศีลเราก็เปลี่ยนงานนั่นเอง เมนจะยากตรงไหนเลยคำถามจากครูฝากถามค่ะเราควรช่วยเหลือผู้น้อยหรือไม่ในเรื่องที่จะนำความเดือดร้อนมาให้เราครอบครัวและองค์กรเพราะเขาเชื่อคนที่มุสาและหวังเอาเปรียบเราเขามองไม่เห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นและไม่เชื่อเราเราควรทำตนและวางใจอย่างไรคะถ้าช่วยไม่ได้ก็ทำใจไปนูเบขาปล่อยวางไป พิจารณาถึงผลที่จะตามมาว่ามันดีหรือมันไม่ดีถ้ามันไม่ดีก็อยากไปช่วยเท่านั้นเองไม่ไม่ถือว่าไม่มีความเมตตาเพราะว่าการช่วยก็ต้องอยังก็ต้องเมตตาตัวเราด้วยช่วยแล้วเราเดือดร้อนเสียหายก็มันก็ไม่เมตตาตัวเราอย่าเราก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าการช่วยเหลือเขาแล้วเป็นผลดีหรือผลเสียถ้าเป็นผลเสียก็ไม่ต้องช่วย คำถามต่อไปจากคุณนลุมน์ค่ะถ้าในชีวิตประจาวันเราต้องทางานติดต่อประสานงานกับคนมากมายเราควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้อารมณ์เข้ามาในจิตใจได้ง่ายๆครับก็ต้องมีความเมตตาต้องมีความปรารถนาดีกับทุกคนที่เราสัมผัสการพูดการกระทำอะไรต้องคำน่งว่าอย่าไปทำให้เขาเสียหาย ห, ายหรือเดือดร้อนพยายามใช้สติ ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสให้มีความปรารถนาดีมองเขาว่าเป็นมิตรถึงถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาอาจจะต้องการนี้อาจจะเป็นเหมือนศัตรูเราก็อย่าไปโกรธไปเกลียดเขาถ้าเราตอบสนองความต้องการเขาไม่ได้เราก็พูดกับเขาดีๆไปว่าทําไม่ได้ถ้าไหนเราทําได้เราก็ทําไปแต่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปโกรธเขาไปเกลียดเขา คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีสองคำถามนะคะถ้ามีคนขโมยเงินเราไปแล้วเราถือว่าเราทำบุญกับเงินนั้นในความเป็นจริงเราจะได้บุญจากเงินนั้นไหมคะได้เพราะใจเราจะสบายไงถ้าเราคิดว่าเราถูกขโมยเราก็อยากได้ได้คืนพอเกิดความอยากได้คืนมันก็เครียดเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความเสียใจขึ้นมา แต่พอเราคิดว่าเป็นการทำบุญสงเคราะเขาไปก็าอาจจะเดือดร้อนเขาต้องการเงินก้อนนี้ก็ให้เข้าไปเหมือนเราใส่บาตรพระเดือดร้อนจากการไม่มีอาหารเราก็ซื้ออาหารให้พระรับประทานพอเราให้แบบนี้ละใจเราก็เกิดความสุขขึ้นมาว่าเราได้ทำคุณทำประโยชน์แต่เราไม่ได้ตั้งใจจะส่งเสริมให้เขาขโมยนะแต่พูดในกรณีว่าถูกบังคับให้ให้ต้อง ต้องต้องทําก็ยินดีอย่าทาดีกลับมาเสียใจทําไมไหนๆมันก็เงินก็ไปแล้วเอเสียเงินแล้วยังต้องมาเสียใจอทําไมเสียแดงเดียวก็พอเสียแดงเดียวเราได้กําไรคือใจมีความสุขไม่ดีกว่าเลย คำถามมีคำถามนึงจากท่านเดิมนะคะเวลาที่เรานั่งสมาธิไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเราลืมตาขึ้นมาในขณะที่ยังนั่งสมาธิอยู่แต่เรายังอยากนั่งต่อเราสามารถหลับตาแล้วนั่งต่อไปแบบนี้จะถือว่าไม่ต่อเนื่องในการนั่งสมาธิใหม่คะ ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องไม่สําคัญเขาท่านั่งต่อไปเดี๋ยวมันก็มันก็ได้ต่อมันดูดูหนังแล้วเดี๋ยวเราก็อยากจะดูหนังอีกเรื่องหนึ่งก็ดูต่อไปก็เท่านั้นเองมันอาจจะไม่สงบแบบลึกแบบท่านั่งแบบรวดเดียวไม่ไม่ไม่ถอนออกมาแต่ถ้ามันถอนออกมาเราก็สามารถนั่งกลับให้มันกลับเข้าไปข้างในใหม่ได้คําถามจากทาง facebook นะคะจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามมีสามข้อนะคะ ข้อแรกวันหนึ่งหนูต้องตายแน่สัปดาห์นี้หนูเริ่มพิจารณาความตายก่อนทาสมาธิทุกวันโดยน้อมใจว่าเราจะต้องตายลงตอนนี้พบมีอาการใจสั่นกระสับกระส่ายจากหวงในการพลัดพรางจากครอบครัวตรงจุดนี้หนูต้องพิจารณาสิ่งใดซ้าลงไปเจ้าค่ะเพื่อจะให้ผ่านอาการนี้อ๋อถ้าใจสั่นก็ต้องใช้พุทโธกัน ต้องทําใจให้สงบก่อนพอเริ่มสั่นก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธอย่าเพิ่งไปพิจารณาทําใจให้สงบก่อนแล้วคราวหน้าพอออกจากความสงบแล้วลองมาพิจารณาดูอีกทีหนึ่งถ้ายังสั่นอยู่ก็ยังแสดงว่าสมาธิเรายังมีกําลังน้อยก็พยายามฝึกสมาธิให้มีมากขึ้นไปต่อไปมันก็จะไม่สั่นคําถามที่สองค่ะจิตหนูวางในพรมวิหารสี่ต่อสัตว์ได้ครบ แต่สําหรับบางคนหนูติดตรงวางอุเบกขาต้องพิจารณาอย่างไรเจ้าคะก็อุเบกขาก็หมายความว่าเราไม่สามารถไปทําอะไรกับเขาได้ก็ต้องปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาข้อที่สามนะคะการที่จะถึงมรรคผลนิพพานจําเป็นต้องมีฌานขั้นโลกิยาฌานเป็นพื้นฐานหรือไม่เจ้าคาก็ต้องมีขั้นรูปฌปานสี่ขึ้นไปน ถึงจะสามารถมีฐานที่จะใช้ในการจเจริญปัญญาได้ใจต้องเป็นอุเบกขาปล่อยวางแล้วถึงจะใช้ปัญญาสอนให้ปล่อยวางแบบทาวรได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกราบนรมัสการถามหลวงปู่ครับเมื่อฝันเรื่องอะไรพอตื่นขึ้นมามักจะเป็นอารมณ์ในเรื่องนั้ น, น, น เช่นเมื่อฝันว่าดีกับใครตื่นมาก็รู้สึกดีกับคนนั้นฝันว่าไปไหนที่ชอบตื่นมาก็อยากไปที่นั่นกระผมควรทำอย่างไรครับก็ดูว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าทำได้แล้วไม่มีความเสียหายได้ประโยชน์ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้หรือทำแล้วเกิดความเสียหายก็อย่าไปทำมันเท่านันเอง คำถามจากทาง y o u ูทูบผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะโยมเอาเงินไปลงทุนหุ้นเสียเงินไปมากโยมเครียดเพราะโยมอายุมากแล้วไม่ได้ทํางานอยากได้เงินคืนทําใจอย่างไรคะขอเมตตาสั่งสอนออก็คิดว่าเงินหายก็แล้วกันเงินหายแล้วมันก็หายไปถ้ามันจะมาก็ถือว่าเป็นโชคของเราถ้ามไม่มาก็ถือว่ามันก็ มันก็ไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วอย่าไปหวังเอาคืนแล้วจะไม่เครียดเหมืนอนอ้อยเข้าปากช้างแล้วอย่าไปหวังให้มันออกมาทางปากต้องไปรอที่ก้นมันนะ <c oughs> ต้องทำใจอันนี้จังไงต้องพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่เรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน ต้องมีการพัดภาคจากกันไม่ช้าก็เร็วะนะงั้นพยายามอย่าไปพึ่งอะไรให้มากนะพึ่งให้น้อยที่สุดไม่พึ่งได้เลยยิ่งดีจะได้ไม่ต้องมาคุ้ยกมากังวลที่เรายัางต้องพึ่งเงินทองเพราะเรายัางพึ่งร่างกายอยู่<ๆ>เรายัางต้องรักษาร่างกายเลี้ยงดูร่างกายอยู่ถ้าเราไม่พึ่งร่างกายได้เราก็ไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องพึ่งเงินทองไว้ซื้ออาหารซื้ออะไรมาเลี้ยงร่างกาย วิธีที่เราจะไม่พึ่งร่างกายได้เราก็ต้องฝึกจิตให้จิตมีความสุขในตัวเองจะได้ไม่ต้องไปพึ่งร่างกายไม่ต้องไปพึ่งอะไรเมื่อไม่พึ่งแล้วทีนี้มันก็ไม่เดือดร้อนถ้าร่างกายอยู่ได้ก็ให้มันอยู่ไปยังอยู่ไม่ได้ก็ให้มันตายไปก็จะไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดเห็นตอนนี้นโยมก็จะมาฝึกจิตนะแสดงว่าโยมยังพึ่งร่างกายอยู่ยังพึ่งเงินทองที่จะมาเลี้ยงร่างกายอยู่ลองมาฝึกจิตมาทำจิตให้สงบ แล้วต่อไปพอมีความสุขในตัวเองแล้วก็ไม่เดือด น, นอนมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายเจ็บหรือไม่เจ็บหิวหรือไม่หิวตายหรือไม่ตายก็ปล่อยมันได้แต่พยายามมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขหาความสุขจากการฝึกจิตทำจิตให้สงบจิตสงบแล้วจะมีพิษที่พึ่งในตนเองไม่ต้องไปพึ่งร่างกายไม่ต้องไปพึ่งปัจจัยสี่ของร่างกาย ไม่ต้องไปพึ่งคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พร้อมที่จะให้ร่างกายมันตายได้พร้อมที่ให้ร่างกายมันอดอยากขาดแคลนได้ไม่เดือดร้อนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าหมดเวลาแนละ้วขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุ